กายเนี่ยไซนเนี่ยชอบอยู่เฉยๆชอบอยู่เฉยๆคือนั่งนอนจะให้ทำอะไรนี่ก็มักจะอิดออดเช่นะจนจะให้ออกกำลังกายเียหรือว่าจะให้เดินไปที่ศาลาเนี่ยก็ไม่อยากไปขอนั่งได้ไหมขออยู่เฉยๆได้ไหมแต่ใจนี่ตรงข้ามนะ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 บางทีเราก็เลียงยันว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเวลาใจเนี่ยมันเพ่นพ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไปสองอย่างนั่นคืออดีตกับอนาคตแล้วก็เวลาเพ่นพ่านนะมันก็มักจะเอาความทุกข์กลับมาเมื่อก็ตามที่ให้ฝึกใจให้อยู่นิ่ง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 เราทุกเน่ยทุกเพราะความคิดนะพูดถึงความทุกข์ใจทุกเพราะความคิดแม้จะกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะมีของอร่อยสัมผัสลิ้นมีเพลงที่ไพเราะนะมากระทบหูแต่ตอน ท, ที่ใจเนี่ยนะไปนึกถึงเรื่องชื่อว่า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 นายฐานคนนี้นายตรงนีก้ก็เลยโกรธนะพราะไม่เคยมีใครมาต่อว่าแล้วก็เลยถามมาว่ารู้ไหมว่าเป็นใครนะอผู้ปกความก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณทําไม่ถูกนะขับรถผิดระเบียบแต่แล้วก็เดินออกไปนายถานก็ยังโกรธมากเอาปืด ดึงปืนออกมาจากจากลิ้นชักนะแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปตอนนั้นปลดเต็มที่นะเพราะไม่เคยมีใครมาว่าก็บังเอิญมีพนักงานขับรถของโรงเรียนเนี่ยอยู่ ใ, ใกล้ๆก็เห็นว่าถ้าปล่อยเฉยเนี่ยคงเกิดเรื่อง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 พอความรู้ตัวกลับมาเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเ้ยกาลังทำอะไรลงไปเนี่ยอย่าหยุดเลยนะถันกลับเดินกลับไปที่รถเอาปืนเก็บแล้วก็ไปรับลูกนะ้นาสาคนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนมามาทักให้เกิดสติให้เกิดความรู้สึกตัวนะจะคงจะยิงผู้ปกครองคนนั้น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 โรคซึมเศร้าหรือว่าคิดค่าตัวตายเนี่ยคงไม่มีนะจิตพ้อนิสัยเนี่ยใจมันชอบนะแช่ชอบจมอยู่ในความเศร้านี่แหละที่มันกลายเป็นอันต ร, รายต่อชีวิตของเราอันนี้เรียกว่าจิตที่มันชอบยึดติดนะในอารมณ์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 จมให้แช่หรือว่าให้เผลยยึดเป็นวักเป็นเวนได้วิธีการคือเราต้องฝึกให้ทำขั้นตอนที่ง่ายก่อนก็คือว่าให้มารู้กายก่อนอย่าเพิ่งไปรู้ชันความคิดให้เป็นรู้กายก่อนยกมือเคลื่อนไหวก็ให้รู้ว่ากลาลังยกมือนะเดินก็ให้รู้ว่าเดินแล้วก็ไม่ใช่รู้แค่นั้น อิริยาบถอื่นก็รู้ด้วยครึ่งนิ้วก็รู้นะถูฟันก็รู้กินน้ำก็รู้นะอย่างที่พูดเมื่อวานว่าพระจารย์แนะนำให้ทงความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะแต่ว่าอิริยาบถหลักที่จะใช้นะในการฝึกเราก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรม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 พอแค่โดนสะกิดนิดหน่อยเนี่ยอา้าวรู้ตัวแนละ้วกลับมาไอการยกมือสร้างจังหว ะ, ะการเดินเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ไม่ใช่ feeling หรือเวทนาแต่มันเป็น sensation หมาถึงว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นมันทำหน้าที่เหมือนกับตัวสะกิดนะเหมือนกับเพื่อนเมื่อคนที่กำลังโกรธแล้วก็มีเพื่อนมาสะกิดเนี่ยนะ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 มันก็จะกลับมาแต่ก่อนเนี่ยไม่ไมยเนี่ยคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยกลับมาเพราะว่ารู้สึกถึงแรงสะกิดแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่สองสมเรื่องก็รับรู้ถึงแรงสะกิดแล้วกลับมาเร็วขึ้นกลับมาเร็วขึ้นตอนหลังเนี่ยคิดเรื่องเดีม hen, ด่ทนจบเรื่องจบเรื่องแล้วก็กลับมาแล้วเพราะว่ า, วาไวต่อแรงสะกิดนะแรงสะกิดเนี่ยคือความรู้สึกที่มือเคลื่อนไหวที่เท้าเดินนะ